พระธรรมเทศนาแผ่นที่106ลำดับที่8โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่29พิพฤศจิกายน2559มีชื่อเรื่องว่าคิดดีทำดีพูดดีคือหน้าที่พุทธบริษัท วันน้นว่าเป็นวันมลมงคลมหามงคลยิ่งวันนี้เป็นวันที่29พฤศจิกายนพุทธศักราช2559ถ้าจะว่าไปแล้วหลวงพ่อเกิดในเมืองไทยก็จริงอยู่แต่ไม่เคยมาคราวนี้เป็นครั้งแรกของชีวิตอายุถึง72ปีนี้แหละแต่โดยมากไปไปภูเก็ตพังงานไปอยู่เพราะว่านั่งเครื่องบินจาก กรุงเทพลงไปทางนู้นเลยแต่ทางสารนี้ไม่เคยมามาคราวนี้เป็น เ, เป็นครั้งแรกแล้วก็ได้มาสวดพระปริตตะมงคลทมาเห็นคุณยา่าเ่คุณย่าจรัสพิมพ์แล้วก็ท่านสุวัรด์แล้วก็พลโทหญิงภูลพิรม บ้านลาเล็ดสีดองบานลาเลดสีดองโรงแรมออนอินเตอร์คอนดิคอนติเนเนนเนท่านอําเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริขัน วันนี้กรณีพระครูบาอาจารย์มาสวดพระปริตตมงคลถือว่าเป็นมงคลยิ่งในทางพระพุทธศาสนาพวกเราเป็นพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าครว่าบริษัทคานี้เหมือนกับบริษัทห้างร้านบริษัทต่างๆแต่นี้เราเป็นพุทธบริษัท เป็นบริษัทของพุทธะพระพุทธเจ้าบัญญัติทำวินยัยศีลและวินยัยกฎระเบียบอย่างไรพวกเราก็ได้ปฏิบัติตามบริษัทที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้เพราะเราเชื่อในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเราวิเคราะห์ดูแล้วว่าพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็น พระธรรมคำสอนที่ทำให้มนุษย์ที่อยู่ด้วยกันถึงจะมากมายขนาดไหนก็ตามถ้าหากว่าปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพุทธาแล้วมีแต่ความร่มเย็นเป็นจุขเพราะอยไรเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านได้การกรองไตรตองด้วยพระองค์เองแล้วจึงได้นำมาแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวพวกเรา อย่างที่การอยู่ด้วยกันถ้าว่าทุกคนพระพุทธเจ้าสอนว่าให้ทานเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาในหลักใหญ่คือคือมีสมหลักเรื่องทานการอยู่ด้วยกันถ้าหากว่าการอยู่ด้วยกันไม่มีการเสียสละไม่มีการเอื้อเฟื้อเอื้ออารีต่อกันเมื่อเราเกิดมาพ่อแม่ก็ไม่ให้ทานไม่มีการอนุเคราะห์ลูก เราก็อยู่ไม่ได้ในเมื่อเราเป็นอยู่เราไม่มีการสงเคราะห์ใครหมูหมากาไก่ก็อยู่กับเราไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าเราไม่มีไม่มีน้ำใจไม่มีการสงเคราะห์อนุเคราะห์นี่แหละขว่าทานะคำนี้เน่เป็นการเป็นน้ำเชื่อมสำหรับการอยู่ด้วยกันไม่ว่าอยู่ในระดับไหนถ้าว่ามนุษย์ชุม ที่อยู่ด้วยกันมีฐานะมีการเสียสละต่อกันโลกทั้งโลกก็อยู่ด้วยกันร่มเย็นเป็นสุขในระดับหนึ่งแต่ท่าว่าทุกคนมีศีลด้วยที่ที่พระพุทธเจ้าที่ท่านวางกฎระเบียบไว้คือการอยู่ด้วยกันคือไม่ให้เบียดเบียนกันคือศีลห้าหลักธรรมคําสอนของพุทธศีลห้าเป็นศีลที่คุ้มคลองโลกทําให้โลกทั้งโลกร่มเย็นเป็นสุขถ้าคน คนใโลกทั้งหลายขาดสินหําให้โลกทางโลกทั้งโลกเดือดร้อนเหมือนกันเพราะศีลห้าข้อที่หนึ่งอยาคิดฆ่ากันถ้าคนเราอยู่นักสถานใดมีแต่คิดฆ่ากันจะมีแต่ความวาดผวาเพราะว่าไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันมีแต่คิดจะฆ่ากันหาความสงบพร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้ข้อที่สองอธินาทานคิดขโมยกัน อยู่นาสถานที่ใดมีแต่ขโมยกันไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันโลกทั้งโลกาหาความสงบพร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้ข้อที่สกามีสุมิชัาจาราเวรมณีสามีภรรยา ล, ลูกหลานของใครของเขาขอก็รักสงวนหวน่วแหนถ้าไม่เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันต่างคนก็ต่างมีมีแต่ความเรือดร้อ น, นวุ่นวายอันนี้คือข้อที่สข้อที่4มุสาวาทาเวรมณี โกหกต้มตุ๋นหลอกลวงคนอื่นเขาถ้าว่าพวกเราไปทําให้กับเขาเขาก็เดือดร้อนถ้าเขามากับทําให้กับเราก็เช่นเดียวกันอันนี้ก็คือศินข้อที่สข้อที่หสุราเมรยะมัชะ ป, ประมาการดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทคนที่ดื่มสุราเข้าไปแล้วคัญชายาฟินเฮโรอินอหรือว่าจะมีชื่อและไม่มีชื่อก็ตามแต่เสพและดื่มเข้าไปแล้วขาดสติ ในเมื่อขาดเจตีแล้วทําความชั่วเสียหายได้ทุกอย่างเพราะคนขาดเจตีขาดความรับผิดชอบเนี่ยอันนี้คือศินของพระพุทธเจ้าสรุปแล้วก็คือศินของพระพุทธเจ้าทั้งห้าข้อเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขาถ้าว่าเราไปฆ่าเขาเขาเดือดร้อนเขามาคิดฆ่าเราเราก็เดือดร้อนเขาไปเราขโมยของเขาเขาก็เดือดร้อนเขามาขโมยของเราเราก็เดือดร้อน เ, อเราทํา ไม่เคารพในสามีภรยาคนอื่นเขาเขาไม่เคารพในสามีภรยาของเราล้วนแล้วแต่เรื่องขอเขาเราเขาเราศินเขงของพระพุทธเจ้าถ้าพิจารณาดูแล้วไม่อยู่ไกลนะอยู่กับพวกเราทุกๆท่านเพราะฉะนั้นศีลธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ไกลจากพวกเราเขาเราอันนี้คือสินอันดับแรกก็คือทานการเสียสละการอยู่ด้วยกันทศที่สองคือกฎระเบียบ การที่จะอยู่ด้วยกันให้ให้มีความร่มเย็นเป็นสุขต้องมีกฎกติกาศินก็คือกฎหมายกฎหมายก็คือศิลคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมจากนั้นท่านยังสอนเน้นหนักลงไปอีกว่าเรื่องสมาธิคือทำจิตใจให้มั่นคงทุกสิ่งทุกอย่างออกไปจากใจทั้งหมดในหลักธรรมคำสอนของพุทธะที่พระพุทธเจ้าไปค้นคว้าศึกษา อยู่ที่โครนต้นโพวันเดือนหกแผ่นที่ได้ตัดรู้พระอนุตระสัมมาสัมโพธิญาณท่านนั่งสมาธิที่แรกท่านก็ดูเรื่องของกายทรมานกายถึง49วันไม่ใช่เรื่องของกายมนุษย์ของเราไม่ใช่เรื่องของกายมันเรื่องของใจเรื่องของนามธรรมตัวรู้สึกนึกคิดตัวนี้สาคัญกว่าเพราะนั้นท่านผู้รลงจริงย้อนมาหาตัวผู้รู้คือใจ ท่านจะว่ามนโนปุพังขมาธรรมามโนเศรษฐามนโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วรวยใจ เ, เพราะนั้นท่านจะให้ความสำคัญแต่หลวงพ่อเองก็เลยอาตมาภาพเองก็เลยบอกว่าศรัทธาญาติโยมพี่น้องลูกหลานให้พวกเราสังเกตดูหลักธรรมคำสอนของพุทธะนี่ยท่านเปรียบเทียบ ว, ว่าร่างกายเหมือนกับรถแต่จิตใจเหมือนกับคนขับรถถ้าว่ารถเออ ไม่มีคนขับถ้าหาว่าคนขับคนขับรถนิสัยไม่ดีนิสัยนักเกลงนิสัยไม่มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมในเมื่อขับรถรถคันนี้ก่ อ, อทาให้เสียหายชนคู่ชนคู่คนทําให้เสียหายกับคนอื่นได้ง่ายเพราะอะไรเพราะว่าโซเฟอร์ออไม่มีไม่มีมารยาทไม่มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมนี้ก็เหมือนกัน ถ้าว่าร่างกายของเราตาใจของเราไม่ได้รับไม่ได้รับการอบรมมนโนโง่ปุพังไม่ได้ไม่ได้รับการอบรมในทำคําสอนของพุท ธ, ธะการที่อยู่ครองในร่างกายร่างกายประทับความช่วยเสียหายได้มากมายทีเดียวเพราะฉะนั้นหลักทำคําสอนของพุท ธ, ธะท่านจึงให้มีสมาธิในการดูใจของตอนเองการสมาธรรมสมาธินะทำอย่างไรอาจารยท่านก็บอกว่าให้ กำหนดลมหายใจเข้าให้มีสติสัมปะชัญญะในลมหายใจเข้าให้มีสติให้มีสติสัมปะชัญญะในลมหายใจออก เ, ออเรานั่งสมาธิก็ได้แล้วจะอยู่ในสถานอริยบทใดก็ได้แต่ให้มีสติอยู่กับตนเองในเมื่อเรามีสติอยู่กับตนเองใจของเราก็ไม่ปรุงฟุ้งออกไปข้างนอกจิตใจรวมสงบเมื่อจิตใจรวมสงบเราจะรู้ได้เห็นได้ว่ากายกับใจใจกับ กับกายนี่คนละอ่านกันร่างกายเหมือนกับ เ, เป็นรูปประธรรมแต่จิตใจเป็นนามธรรมแต่ในหลักของพุทธศาสนาประธรรมคมสอนของพระพุทธเจ้าท่านในความสาคัญเรื่องของใจมากกว่าเรื่องของร่างกายาท่านจึงยกว่ามันโนปุพังขมาธรรมะอย่างที่อาตมาผ้าเปย์ยกขึ้นเบื้องตน้นว่ า, าใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสาเร็จแล้วด้วยใจ แต่ทางโลกโลกทั้งโลกเขาเขาพาว่าร่างกายเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญเพราะเขามองไม่เห็นทางด้านจิตใจแต่หลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยที่จะมองเห็นใจได้ต้องนั่งสมาธิถ้าจิตใจนั่งสมาธิจิตใจสงบจะรู้ได้เห็นได้ว่ากายกับใจใจกับกายเป็นคนละละอันเห็นได้ชัดเจนแต่ว่าตายแล้วเกิดได้วตายแล้วศูนย์ก็มองก็ได้เห็นได้อีกทําไมจึง พูดอย่างนั้นได้ก็เพราะว่าพระพุทธเจ้าของเราที่ท่านได้ตัดสู้พระนุตรสัมมาสัมโพธิญาณที่โคนต้นโพในวันเดือน6เพนนนั้นพระ อ, องค์ทําใจให้สงบจิตทําใจให้เป็นหนึ่งทําใจให้เน่งพอจิตใจของพระ อ, องค์รวมสงบลงเป็นหนึ่งเกิดญาณทัศนะเกิดฌานความรู้พิเศษขึ้นมาท่านจึงบอกประกาศออกมาว่าปุเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติคนหลังได้เออ พระ อ, องค์มองพระ อ, องค์เองวันละลึกชาติทนหลังได้เนีตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกถ้าใครอยากจะรู้ท่านผู้ใดอยากจะรู้ว่าตายแล้วเกิดได้าตายแล้วสูญอย่าไปนึกอย่าไปเดาอย่าไปคาดคะเนอย่าไปประมาณการต้องทําจิตใจให้สงบทำทำจิตใจให้เป็นหนึ่งในเมื่อจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้วกายกับใจใจกับกายเป็นโคนรานกันกันแต่ร่างกายเนี่ตายแน่แต่ตายสลายลงสูง่ดินน้ําลมไฟแต่ใจคือน้ํมามธทํานั้น จะออกจากร่างกายไปปฏิสนธิไปเกิดในภพภูมิต่างๆเพราะนั้นพระองค์จึงมองพระองค์ในวันเดือนหกเพนนว่าปุเพนิว่าสานุเจติยานเรามาจากไหนมาเกิดในชาตินี้ท่านก็บอกว่าเรามาจากสวรรค์ชั้นอุศิตก่อนที่จะขึ้นไปสู่สวรร์ชั้นอุศิตมาจากไหนมาจากพระเวทท่านดอนอแล้วก็ไล่ไปไล่เลียงไปยาวเหยียดในชีวิตจากนั้นพงค์ พอมองพระพอ ง, งค์เสร็จแล้วพอถึงเที่ยงคืนพอถึงเที่ยงคืนพระองค์ก็มองดูสรรพสัตว์ทั้งหลายออมองสรรพสัตว์คำว่าสัตว์สัพสัตวคําำนี้ก็คือมนุษย์ก็เป็นสัตว์พรหมก็เป็นสัตว์เทวดาก็เป็นสัตว์สัตตะแปลว่าผู้อย่างข่องอยัางข่องอยู่ในภพในชาติยังไม่ได้เป็นพระอรหันยังข่องอยู่ในภพ angef, เกิดแก่เจ็บตายาท่านว่าเป็นสัตตะแปลว่าผู้อย่างข่องทั้งหมดไม่ใช่สัตติราชานนะ สัตตะแปลว่าผู้ยังคล่องในภพในชาติแต่ถ้าพระองค์มองดูสรรพสัตว์ทั้งหลายว่าทำไมเกิดมาไม่เหมือนกันออมั่งมีสีสุกต่างกันร่ำรวยต่างกันรูปร่างกลางตัวต่างกันคอองพิคงพิการต่างกันทำไมมันไม่เหมือนกันเกิดมาเป็นมนุษย์เหมือนกันพระองค์มองดูแลดูแต่ละดวงวิญญาณต่ละตัวคนแต่ละตัวสรรพสัตว์นะ ทำไมมันต่างกันเพราะว่าพอมองดูแล้วว่า ส, พาสรพพสัตว์แต่ละคนแต่ละท่านทำกรรมต่างกันการกระทำต่างกันทำกรรมมโนกรรมคิดต่างกันกายกรรมทำต่างกันวจีกรรมคือคาพูดพูดต่างกันการทำกรรมทําได้สามทางมโนกรรมคือความคิดกายกรรมคือการกระทำ วจีกรรมคือคำพูดในเมื่อทำกรรมไม่ดีกรรมไม่ดีตามสนองก็ได้รับผลไปในทางที่ไม่ดีเลวชั่วถ้าทำกรรมการกระทำที่ไม่ดีก็ออกไปในทางไม่ดีแต่ถ้าวา่าเราทำกรรมดีคิดดีทำดีพูดดีกรรมดีจะให้ผลไปอยู่ในสถานที่ใดมีแต่ความร่มเย็นเป็นถูกเพราลเพราะทำกรรมแต่กรรมดี ถ้าเท่าเราทํากรรมไม่ดีกรรมไม่ดีจะให้ผลจะเดือดร้อนพระองค์จึงตรัสเป็นพุทธภาษิตว่าอัคตังทุกตังไสยโยปัชฌะตปฏิทุกตังกรรมชั่วอย่าคิดอย่าทําอย่าพูดเฉยดีกว่าเมื่อเราคิดเราทําเราพูดกรรมชั่วกรรมชั่วจะให้ผลตนเองนั่นแหละจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังนี่ท่านเน้นถึงกรรมคือการกระทําเพราะฉะนั้น การกระทำทำได้สามทางมโนกรรมกายกรรมวจีกรรมใครเป็นคนเป็นผู้ได้รับกับผู้ผู้กระทำนั่นเองเป็นผู้ได้รับนี่แหละหละักธรรมคำสอนของพุทธศาสานาขอให้พวกเราพุทธศาสนิกชนทุกหมู่ทุกเราทุกๆกท่านที่อาตมาภาพได้เรียนให้ทราบในเกนี่แหะเป็นแนวความคิดของพุทธะที่อาตมาภาพเร่ บวช ไ, ได้ศึกษาได้มาได้ปฏิบัติมารู้เห็นในจิตใจอย่างไรก็มาเรียนให้คณะพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาแต่พูดทางนี้ทางนั้นที่หลวงพ่อเคยพูดเคยตรัสที่พระพุทธเจ้าเคยพูดเคยตรัสหลวงพ่อก็ได้นํำทำคําสอนของพุทธะออกมาพูดอีกเหมือนกันนะพระพุทธเจ้าท่านถามสาเรบุตรว่าจูก่อนสาเรบุตร ที่เราตถาคตตรัสไปนี้นะพูดไปนี้นะเธอเชื่อไหมพระสารีบุตรวยังไม่เชื่อพระเจ้าข่านพระสงฆ์ทั้งหลายก็คือฮอากันโอ้โหพระสารีบุตรทาไมปฏิเสธต่อหน้าพระพุทธเจ้าต่อพระพักพระพุทธเจ้าได้ อ, อแสดงว่าหัวดื้อหัวล้านหัวแข็งไม่ยอมฟังกระทั่งพระพุทธเจ้าไม่เชื่อกระทั่งพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์บอกว่าดูก่อนสงฆ์ทั้งหลาย เดี๋ยวเราจะถามให้ฟังอีกทำไมสารีบุตรเธอจึงไม่เชื่อที่เราตะากุพูดตรัสไปนี่เพราะข้าพระ อ, องค์ยังไม่ได้นำไปปฏิบัติในเมื่อข้าพระ อ, องค์นำไปปฏิบัติไปการกรองไตตรองด้วยด้วยเหตุผลแล้วนำไปปฏิบัติแล้วข้าพระ อ, องค์จะมากราบทูนเพราะพระองค์เมื่อภายหลังพระเจ้าข่านนี่แหละสง์ทั้งหลายให้ฟังเอาไว้ได้ยินเสียงอันไหนอันไหนมาก็ตามอย่าเพิ่งเชื่อ เอ่นำไปการกลองไตรตองและนำไปปฏิบัติดูก่อนนี่แหละให้ถือเอาสารบุตรเป็นตัวอย่างนี่แหละพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าเราได้ยินอั น, อนไหนมาเราก็จะเชื่อทั้งหมดไม่ใช่เราต้องฟังด้วยเหตุด้วยผลกนำมาการกลองไตรตองเปรียบเทียบด้วยสติด้วยปัญญาของเราจากนั้นต้องถามไถท่ท่านผู้อื่นเอกถามรู้อีก การกลองดูอีกทามั่นใจนั่นแหละเชื่อแต่ถึงยังไงก็ตามศีลธรรมของพระพุทธเจ้าที่อาตมาภาพได้ยกขึ้นว่าศีลห้าของพระพุทธเจ้าเนี่ยอันนี้ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะเพราะอะไรเมื่อเขาไปเมื่อเราไปฆ่าเขาเขามาฆ่าเราเราเดือดร้อนไหมเราไปขโมยของเขาเขามาขโมยของเราเราเดือดร้อนไหมอันนี้มีเหตุพร้อมมีเหตุผลพร้อมอยู่ในเรื่องเหตุ ด้วยเหตุด้วยผลนี่ในพระธรรมคำสอนของพุท ธ, ธะเพราะนั้นขอฝากไว้กับพวกเราคณะัทธาญาติโยมทุกทุกท่านที่อาตมาภาพได้มาพูดมากล่าวเพื่อให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษาในคราวนี้ครั้งนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งโยมเปียวสีเงินเออเป็นผู้อาตมาเองก็ได้เห็นการอ่าน คำพูดของคุณโยมนะออฟังโอทำไมเอาคำพูดคำไหนมาพูดในทุกวี่ทุกวันออตอนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรรับกวดน้ำแลศมีน่าอุทิศส่วนกุศลและก็พร้อมกันอาตมาภาพเองก็เนี่ยพวกเราเป็นพระศกนิกรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เ, ออเมื่อพระองคอ์ู่เข้าสู่สวรรค์คาลายัย พวกเราเป็นประสงคนิกรทำบุญทุกครั้งก็จะจะน้อมให้น้อมจิตอุทิศถวายเป็นพระอรัช ส, สุกศลต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตอนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรรับกวดน้ำรัศดรน้าอุทิศส่วนกุศล